ธรรมะคือธรรมชาติวันที่24เมษายน2559มีการเดินไปลำไปลำไปคุยไปดูไม่ตั้งใจข้อเสนอใครอยากคุยใครอยากคุยกันเชิญออกนอกศาลาไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังแต่ได้ยินมา นานหลายปีแล้วค่ะขนาะไม่ตั้งใจฟังก็ได้ยินนะตัวเองก็ไม่ตั้งใจลำอยู่เดไปฟังคนอื่นเขาเขาคุยกันนี่ขณะไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจอะไรจะเกิดขึ้นนะแอบฟังความคิดเขาด้วยนะเขาคิดยังไงเขาถึงพูดอย่างนี้สักแต่ว่าได้ยินเนาะบางทีเขามาประเมินเราไงว่าเราเราตั้งใจลำไหมเออเราเองก็ไม่ตั้งใจลำ ถึงจะไม่ตั้งใจฟังก็ช่างแต่บังเอิญมันได้ยินนะนั่นแหละคนเราเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นตัวเองนะส่วนมีคนเขาเให้ข้อคิดให้สติว่าเออเวลารำก็รำสิอย่าคุยกันนะคนที่คุยกันก็ต้องระวังนะทั้งสองฝ่ายปรับปรุงตัวเองนถ้าจิตฟุ้งซ่าน จะรวมจิตได้อย่างไรคะศักต่ว่ารู้นะอย่าพยายามจะแก้ไขมันอย่าพยายามจะต่อสู้มันนะความฟุ้งซ่านคำว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเริ่มจากคิดก่อนคิดก็ฟุ้งซ่านตัวอยากรู้อยากเห็นกำลังลาอยู่ก็ไปคิดถึงอนาคตลาเสร็จแล้วฉันจะไปทำอะไรนึกถึงอดีตไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเห็นไหมเราไม่อยู่ปัจจุบัน นี่แหละคำตอบคืออยู่ปัจจุบันระหว่างนั้นทําอะไรก็อยู่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเขาฟุ้งซ่านเขาปล่อยเขาฟุ้งซ่านไปอย่าไปฟุ้งซ่านตามเขานี่คือสัตว์วรู้สัตว์เห็นนะอันนี้คืออายตนาะวิปัสสนากรรมฐานนะพระลาหุนมารูธรมเพราะสิ่งนี้พระองค์ทรงเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยออกไปบินธบาตนะฮอร์โมนเพศเริ่มเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นอะไรก็สวยๆงามๆแล้วเนี่ยจิตส่งออกไม่สงบเลย จเจริญอาณาปณสติไม่ได้สักทีหนึ่งพภาษาริบุตรก็พาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระองค์เห็นจิตไงพระองค์ก็ให้พระราหุนเนี่ยจเจริญอจตนะวิปัสสนากรรมาฐานคือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินนะพระราหุนมารู้ธรรมด้วยสิ่งนี้เห็นปุ๊บพอเราบอกสวยเนี่ยบอกสวยนะอ น, นี่ช้าไปแล้วตัดสินว่าสวยแล้วใช่ไหมเห็นเฉย อันนี้เราไม่เห็นเฉยๆเห็นไม่ทําไมสวยอย่างนี้ทําไมหลอยอย่างนี้อ้าวฉันอยากได้ปรุงแล้วอันนั้นโดนตีหัวหลายรอบละช้าเกินไปนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะมันฟุ้งซ่านก็ปล่อยมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมีประโยชน์นะมันเป็นวิปัสสนานะก็เรารู้ว่าเราฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นวิปัสสนาอย่างยิ่งคนที่ว่ารู้ตัวเองเนี่ยอารมณ์ตัวเองปัจจุบันเนี่ยก็คือวิปัสสนาเนาะ แต่สำคัญว่าถ้าเรารู้จริงๆเราก็ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านตามเขาเท่านั้นเองนะจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราเข้าจิตได้แล้วอยากจะรู้อีกนะ <c oughs> ถ้าเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยยกตัวอย่างว่าอาการที่เขาแสดงออกเนี่ยไม่ใช่สมองเราสั่งถ้าเราฝึกสัมมถากรรมาฐานนี่เราจเจริญสัมมากสัมาฐานเราต้องมีกําหนดพุดโทโธ ยุบหนอพองหนอขาขวาหนอซ้ายหนออันนั้นเรากำหนดเพราะเรากำลังฝึกนี่เรียกว่าสัมมตากรรมาฐานแต่ถ้าว่าการแสดงออกโดยที่ว่าเราไม่ได้สั่งการเลยเขาทำลงเขาเองนั่นละ่ะจิตปัจจุบันเห็นอาการนั้นลและแล้วถามว่าใครเป็นคนทำตัวนั้นนั่นละ่ะคือภาษาภาษาอังกฤษบอกอินไซเอาเนือคือข้างในมันออกมาข้างนอกละ่ะนะก็นั่นหละคือจิตเป็นตัวกระทา ปัจจุยยบันก็เรียนรู้กับการเคลื่อนไหวตรงนั้นและอารมณ์ข้างในมันเกิดขึ้นเราก็รู้นะอารมณ์ข้างในเรียกว่าธรรมในธรรมคือธรรมารมณมันเป็นสัญญาสัญญาเดิมที่ในจิตเดิมได้หลายชาติเร า, เราบันทึกไว้มาเป็นเวทนาในอดีตบันทึกเป็นสัญญาแล้วมันแสดงออกปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นนะั่นคือธรรมในธรรมคือธรรมะลมนะนั่นแหละคือเราเห็นจิตแล้วจิตเห็นจิตคือมร ผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธเมื่อเราเห็นจิตแล้วในประสบการณ์เราในอดีตสร้างกรรมดีกรรมชั่วนะมีทั้งสองด้านฝ่ายบุญบรารมีก็มีฝ่ายฝ่ายฝ่ายกุกศลก็มีเราไปเรียนรู้กับตรงนั้นเราก็เห็นว่าเออความดีนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยง เราเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์คือลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังนันตาเมื่อจิตปัจจุบันสัมผัสบ่อยๆยอมรับโดยทฤษฎีว่าเอออะไรก็ไม่ใช่มันเป็นอนิจจังทุกขังนันตาจิตปัจจุบันเราก็จางคายความยึดมั่นถือมั่นจางคายความหลงนั่นแหละคือนิโรธจิตเห็นจิตคือมรรคละเราเข้าสู่กระแสมรรคจิตแ ล, นะแล้วนะเราก็เดินทางเนี่ยจเจริญมรรคจิตที่เราเดินทางทุกวันนี้นะ นะเราเดินทางไปเรื่อยๆนะเมื่อเราเห็นแจมแจ้งแล้วว่าอะไรมันก็ไม่ใช่สุดท้ายมันก็เป็นอันิีจังทุกขังอนาตาจิตปัจจุบันเนี่ยเกิดปัญญาไม่ใช่ไปรู้พระไตรลักษณ์เฉยๆนะรู้เรียยสัตว์สีรู้ปฏิสมุทบาทรู้ตัวหนังสือแล้วก็เอาไปสอบผ่านได้ด็อกเตอร์ไม่ใช่รู้แบบนั้นต้องเข้าถึงเข้าถึงจริงๆว่าให้อะไรก็ไม่ใช่นี่ว่ากาลังสุขดี เขามาชนปุ๊บไอ้สุขหายไปความทุกข์มาแทนที่เราก็เห็นว่าเอ้ยอสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมแล้วพอทุกข์อยู่ดีๆนะพอทุกข์ร้องไห้ออกไปห ม, หมดหมดแล้วเนี่ยนะระบายหมดเอ๊ยรู้สึกสุขอีกเราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันนี่แหละคําว่าเห็นไม่ใช่ไปนนั่งดูมันนะคือไปสัมผัสอารมณ์นั้นเมื่อสัมผัสบ่อ ย, อยๆจิตปัจจุบันก็ยอมรับโดยดุษดีว่าอืมใช่แล้วล่ะ ฉันพิสูจน์มาเต็มที่แล้วอะไรก็ไม่ใช่เกิดมาหลายชาติแล้วเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็แก่เจ็บตายเกิดเป็นลูกคนจนก็เกิดแก่เจ็บตายนะสุดท้ายมันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งจิตปัจจุบันก็จางคายความยึดมั่นถือมั่นความหลงต่างๆเวลาที่เหลือแล้วก็ทําหน้าที่สักแต่ว่าทำนะเนะี่ยถ้ามันแสดงออกมาเองนะะั่นแหะคือ จิตเห็นจิตแล้วจิตปัจจุบันเห็นจิตใต้สานึกเราเนี่ยเขาทาหน้าที่อยู่แล้วนะก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเห็นเองจิตเห็นจิตคืออย่างไรก็อธิบายคู่กันไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนี่ยเห็นนะทีนี้มีมีเมื่อวันก่อนเพราะครูได้ธรรมะใหม่ๆทุกวันนะนะพี่ เป่าเป่าเขาก็ทำบุญนายกถาอาหารให้พ่อครูไปกำลังจะกินอาหารเขาก็นั่งเหมือนนั่งรอว่าพ่อครูจะใช้อะไรไหมพี่แก้วก็บอกเป่าเป่าเอาแก้วนี้ไปตักน้ำที่แทงสแตนเลสข้างหลัง อเปาก็ไปตั้งนานเลยแล้วก็นั่งนี่ทำไมยังไม่มาเดิมไป3สามเก้าก็ถึงนะใช่ไหม <laughs> เพราะแทงน้ำมันสูงไงนะพี่แกบอกไปตักน้าในแทงน้ำแกก็มหาวิธีจะปีนขึ้นไปตักข้างบนแกลืมเห็นกอกน้ำข้างล่างเขาก็เล่าให้ฟังว่าคิดว่าจะเอาเก้าอี้ไปยืนแล้วไปตักน้ำ <laughs> พวกนี้ก็นั่งหัวเลาะ ก, กัน เทสเมื่อกี้นี่พี่เป่าๆ เ, เนี่ยเข้าใจผิดหรือว่าพี่แก้วสั่งผิดนะฟังนี้ลูกเออดีลูกเก่งพี่แก้วสั่งผิดนะธรรมดาไปเปินเปดน้ำในใ น, ในแทงนั้นน่ยบอกไปตักน้ําในแทงนั้นนีไ่ไหมความซื่อของเขาเขากะว่าเอ๊ะจะไปตักยังไงมันสูง กำลังจะไปหาเก้าอี้เนี่ยนะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นหลายปีก่อนเกิดที่กรุงเทพเป็นเรื่องจริงนะคุณแม่มีลูกน้อยแล้วก็เอาคนชายเนี่ยเป็นคนอีสานไปเลี้ยงลูกที่บ้านแม่ก็ไปทำงานแม่ก็โทรมาบอกคนชายคนรับใช้เขาก็รับโทรศัพท์บังเอิญลูกสาวเขาเล็กๆเนี่ย ชื่อแอปเปิลบังเอิญคุณแม่เมื่อคืนนี้ซื้อแอปเปิลมาถุงหนึ่งลืมเอาใส่ตู้เย็นก็สั่งคนใช้บอกว่าเอาลูกแอปเปิลไปไว้ในตู้เย็นหน่อยหนึ่งเขาก็เอาเด็กคนนี้ไปใส่ตู้เย็นแม่กลับมาที่บ้านนี่แทบช็อกเลยเรื่องนี้ขึ้นศาลเนี่ยศาลตัดสินว่าคุณแม่สั่งฆ่า คุณแม่พูดจริงๆบอกเอาลูกแอปเปิลไปไว้ในตู้เย็นเขาเรียกลูกแอปเปิลทีนี้เด็กมันนอกคนนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ไอ้ผ ล, ลไม้นี่มันเรียกว่าอะไรหลายปีก่อนนะแอปเปิลในเมืองไทยแพงมากใครได้กินแอปเปิลไม่ใช่ทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งการพูดอะไรต้องระวังนะภาษาเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะ ก็พ่อครูก็เห็นว่าเกือบสามโมงเช้าแลว้วบอกเปล่าไปเข้าศาลายืนเดินนั่งนอนแกบอกว่กกาแกกำลังนั่งอยู่พ่อครัว เ, เออใช่นะเขาเขาออกมาจากข้างในตรงๆเลยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นธรรมะ